ประวัติของท่านในตอนต้นนั้นก็ส่วนหนึ่งก็ได้เล่ามาแล้วในเรื่องพระสารีบุตรคือท่านเป็นบุตรของนายบ้านโกลิตาคามมีมารดาชื่อว่ามกขลีเป็นชื่อที่เขาเรียกท่านจึงมีอยู่สองชื่อชื่อหนึ่งเรียกว่าโกลิตะ ชื่อที่สองเรียกว่าโมกคลานะก็คือลูกชายของนางโมกขลีก็แบบพระสารีบุตรนั่นแหละพระสารีบุตรก็เรียกสองชื่อชื่อหนึ่งเรียกว่าอุปติสสะชื่อที่สองเรียกว่าสารีบุตรคือบุตรของนางสารีแต่ว่าพอมาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ชื่อโกริตะก็ชื่อปฏิสสะก็หายไป ก็มาเรียกชื่อมุขลาระแล้วก็สารีบุตรกัน <c oughs> แต่ท่านทั้งสองนั้นเป็นสหายที่สืบต่อกันมาหลายชั่วสกุลรู้สึกว่าท่านจะเป็นรุ่นที่เจ็ดแล้วที่เป็นสเอาลูกเป็นสหายกันต่อกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆรืๆรๆเพราะนั้นเป็นครอบครัวที่มีความรักคร้ผูกพันกัน เจ็ดทวสกุลนี่ไม่ใช่เล่นนะก็เรียกว่าเราสองร้อยปีะ่ะก็เป็นธรรมเนียมที่ดีประการหนึ่งที่เราคนมาให้เป็นบ้านเราเรียกว่ามเกลือกันหรือว่าเป็นสหายกันเป็นแนวความคิดคล้ายๆกันที่ได้มันจากอินเดียหรือได้มันจากจีนก็มีโครงสร้างอย่างเดียวกัน คือเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยจะมีการตกลงนัดหมายกันว่าเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ลูกนั้นถ้าว่าเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงก็ให้เป็นเพื่อนกันเป็นผู้ชายกับผู้ชายก็ให้เป็นเพื่อนกันแต่ถ้าผู้หญิงกับผู้ชายก็ให้แต่งงานกันะบายความมาครอบครัวทั้งสองก็กระชับความสัมพันธ์กันในสายใดสายหนึ่ง ในสายที่เป็นเพื่อนของกันและกันก็ในสายที่เป็นฝ่ายสามีกับภรรยากันเวลาศึกษาก็ศึกษาเล่าเรียนกันมาด้วยกันและจบใจเพศและเวทางการศาสตร์มาด้วยกันไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันก็ เ, เรียกว่าเป็นคู่สหายที่ ไปมากันอยู่ตลอดชีวิตนะฮะแม้แต่เป็นพระอรหันแล้วบางทีเวลาเรียกพราษาดิบุตรเนี่เรียกว่าสารีปุตตาก็เป็นผู้พจน์นะฮะก็หมายความว่าโมคลานาด้วยแต่เรียกชื่อเดียวแต่ว่าเวดาแปลนะัแปลสองชื่อ คือพระษาริบุตรและพระโมคคัลลานะก็ไปดูการละเล็ดหมาระศพด้วยความสนับสนานเบิกบานบันเทิงใจรื่นรมกันมาด้วยกันก็เยื่ยคนหนุ่มลูกผู้รากมากปีทั้งหลายครอบครัวบรรดุดมสมบูรณ์เลืเกินมีฐานะมา่งขั่งร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติถึง 650โกด650โกดนี่แต่คิดเงินปัจจุบันก็ไม่รู้คิดยังไงเหมือนกันนะคิดดนะ้คงคิดได้แหละแต่ว่ามันเยอะเหลือเกินมันไปสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของอาชีพว่าคนกลุ่มหนึ่งนั้นจะมีอำนาจเหนือทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางสังคมทางการเมือง ทางหน้าที่การงานต่างๆวัฒสังคมอารยันโบราณนี่มันรวยก็รวยจริงๆนะจนก็จนเด็ดขาดเลยก็เรียกว่าเอาสวรรค์วิมานมาอยู่ติดกร ะ, กะตอะ๊อบอะคนครอบครัวของพระสาราิบุตรพระโมคคัลลานาเนี่เป็นพวกที่ร่ำรวยมีเงินมากแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นเป็นนายบ้าน นายบ้านอย่างนี้ขนาดไหนก็ไม่รู้แหละแต่อย่างน้อยก็ขนาดตำบแลแหละแต่ตำบลก็คงจะใหญ่นะฮะคงจะไม่เล็กขนาดของเราการทํานาของคนสมัยนั้นเท่าที่พบเนี่ยนะการทํานาก็เรียกว่าทํานาเป็นแสนแสนไร่แล้วของคนเดียว แต่ว่ามีคนไถนาก็จํานวนเยอะมีโคคายก็จํานวนเยอะมีคนที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆก็จํานวนเยอะมันก็ทํานองคล้ายกับงานอุตสาหกรรมแต่ว่าเป็นงานภาคเกษตรกรรมแต่พอเป็นเกษตรกรรมเมื่อเขาทํานาได้ขนาดนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นพาณิชยกรรมคือค้าขายข้าว ปฏินิจกรรมแล้วอาจจะถึงจุดหนึ่งก็เป็นอุสาหกรับหมายความว่าทั้งหมดมันก็อยู่ในกระบวนเดียวกันเคยพบในเรื่องในสุตตานิบาตังคุตตรนิกายผู้ตังการไถนานะครับคือโคนี้เขาจะมีชื่อเรียกเรียกแตกต่างกันเชนวัสภาะอย่างเงี้ยหมายความว่า โคที่เป็นจาาฝูงมีบริวาร1หนึ่งแสนตัวดูฟังนึกดูว่าการเลี้ยงโคหนึ่งแสนตัวนี่ใช้คนเลี้ยงกี่คนแล้วพื้นที่ที่เอ้โคกินหญ้าเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนพราะงูนี่ก็ต้องมีทั้งพื้นที่ที่ปลูกหญ้าให้โคกินแล้วก็พื้นที่ที่ใช้ในการเกษตรกรรม แล้วก็ในขณะเดียวกันในโคขนาดนั้นมันก็มีโครักกกรรมอยู่ด้วยตกลงว่ามีอาชีพซ่อน ๆ, ๆๆกันอยู่ในครอบครัวเดียวเ็าบอกว่าไถนาเนี่ยก็เทียมโคทีละทีละพันคู่นะฮะทีละพันคู่หมายความว่าโคก็สองพันตัว มีคนไทก็หนึ่งพันคนตอนเย็นก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเปลี่ยนโคไทไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนโคก็เปลี่ยนคนก็ไทกันอยู่ตลอดหวานก็หวานก็อยู่ตลอดปักน้ําก็ปักน้กํกไปอยู่ตลอดเป็นงานใหญ่มากๆคือถ้าเรามองตรงนี้แล้วเราจะเห็นว่าเออคนสมัยนั้นทำไมมันรวยจัง ตั้งโรงทานให้ทานกันจำนวนมหาศาลมากให้ทานทุกวันให้ทานประจำเมื่อต้องถามเอาเงินมาจากไหนคล้ายๆกับประราชาม า, ากริย์เนี่ยท่านก็ทำนามาันแล้วก็แสดงมานาก็ต้องเยอะด้วยแหละกริย์คือขัตติยะหรืเอเตอะเขตนะเขตกเษตรอะ มันวมาคคำเดียวกันคือนาคือเจ้าของนาก็เป็นเจ้านานะั่นแหละกษัตริยนะ์ในสมัยโบราณก็เป็นเจ้าของนาในการต่อมาบ้านเราก็เรียกเจ้าแผ่นดินก็คือเจ้าของนาอย่างเหมือนเดิมก็ทำให้กษัตริย์มหาสาลเศรษฐีมหาสารพรามมหาศา ร, ร, าารของภาษาดิบุตรจเป็นพรมามาศารรมบุกัลลานาก็เป็นพรามาสาร พอลูกมาเกิดมาเลนในกองเงินกองทองทีเดียวไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรเที่หาความสนุกสนานเบิกบานบันเทิงใจดูการเล่นการแสดงบนภูเขานะฮะเขาแสดงบนภูเขาก็ตามปกติแล้วสนุกสนานเพลิดเพลิ น, นไปกระ บ, บทบาต ท, ที่มีการแสดงกันแต่ว่าพอ ถึงจุดหนึ่งมันเกิดปัญญาพิจารณาเาเรียกบารมีบารมีแก่กล้าเ้าเรียกว่าบารมีมันแก่รอบคล้ายกับผลไม้ที่มันห่อมกับมันแก่สุกแต่นี่สำคัญนะฮะคนเราเนี่ยที่เราคิดต่างกันเนี่ยเพราะว่าพื้นฐานทางความคิดไม่เหมือนกันสมัยมาเป็นเนเนล้วก็ได้ข้อสังเกต ก็นั่งคุยกันหลายคนมีคนเป็นครูมีคนเป็นกำนันมีคนเป็นชาวนามีคนเป็นพ่อคา้ามีอะไรอะไรหลายคนเขาก็ถามว่ายโยมถ้ากาโยมถูกสลากินแบง่งรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งสมัยนั้นห0าแสนโยมจะทำอะไรก็ต่างคนต่างคิดนะฮะ ครูก็บอกว่าส่วนหนึ่งจะเอาซ่อมแซมโรงเรียนที่มันมันรั่วมันสุดอยู่แต่ส่วนหนึ่งก็จะเก็บข้าวธนาคารเอาไว้เพื่อลงดูยามชราแล้วก็ส่งเสียลูกให้เรียนันหนึ่งก็คิดจะขยายที่นาจะซื้อโคเพิ่มจะขยายที่นาเพิ่ม คนนึ่งก็จะคิดเอาไปลงทุนทำธุรกิจก็าสารุปรลคิดไมเหมือนกันนะคนแล้วคราวหนึ่ ง, งก็เปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งที่เรามาถามว่าถามมันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นใหญ่มากแต่มาโยมต้นไม้นี้ถ้าโยมถ้าถ้าเขาให้โยมเนี่ยโยมจะทำอะไรโอ้ยก็คิดการวิจิตพิสดารมีคนเดียวท่านนั้นเองที่อนุรักษ์ไว้ ตรงนั้นจะไปแสวงหาประโยชน์จากต้นไม้นั้นทั้งนั้นมีคนเดียวที่คิดอนุรักษ์ไว้เพื่อลูกหลานได้ดูในโอกาสต่อไปนั้นก็สแสดงว่าระบบความคิดทั้งหมดของคนทั้งหลายที่ถามเนี่ยมันจะคิดไปตามบารมีภายในใจของคนแต่ถ้ า, าว่าคนไม่มีความคิดบางคนมันไม่มีความคิดเอาเลยอะ ก็ตอนนั้นก็ที่จริงก็ยังเป็นวัยรุ่นก็ไปเจอกะโยามคนหนึ่งแกค้นไม้ขนาดสองคนโอบนะรู้สึกไม่อย่างสามคนทำไรลุงค้นปลูกถั่วลิสูงละโยามต้องค้นหลายต้นอ่ะสิแต่้งแกก็บอกค้นหลายต้น โยมเคยคิดหรือเปล่าว่าไม้ต้นหนึ่งที่โยมค้นลงมาเนี่ยว่ามันจะโตได้วันนี้นี่อายุเขามากกว่าลุงนะแล้วจะลุงค้นออามาแล้วหนึ่งต้นลุงก็ลุงลุงก็เลื่อยเอาไปขายเนี่ยราคามันจะได้มากกว่าทั่วลิสงทั้งแปลงการขายทัวลิสงทั้งแปงแลงเดี๋ยวเราลงทุนค้นต้นไม้เด่นต้นเดียวเท่านั้นเอง เถียงกันไปเถียงกันมาแกหาว่าเราไม่เคารพผู้ใหญ่บอกไม่ใช่ไม่เคารพโยมลุงหรือต้องการอธิบายให้เห็นว่าถ้าเราต้องการอะไรเราค้นค้นค้น ค, น, คนเนี่ยแล้วต่อไปเราจะอยู่ยังไงเพราะต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีโอกาสแต่ถกเฉียงอภิปรายตั้งปัญหาให้คิดอะไรแต่อะไร ต, ต่า ง, า ง, างๆเนี่ยมันจะมีเยอะ เพว่าคนเวลาก็ทํานาแล้วเขาก็ว่างๆไงนะครับทําสวนทําอะไรไปแต่ว่าที่จริงก็พูดยากนะฮะพูดยากเขาเข้าใจยากเพราะว่าความโลภในมันเป็นอันตรายของทุกๆเรื่องทีนี้การดูมารถูบสองช่วงเราจะเห็นว่าช่วงที่เป็นหนุ่มขนองเนี่ยมองอีกเรื่องหนึ่ง มองมารสศพอีกเรื่องหนึ่งเป็นนางเอกคอดสวยพระเอกคอหล่อไอ้นั้นก็สแสดงดีนั่นก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปเพลินไปบางคนไม่มีอะไรก็ไปนั่งเฝ้าอยูยนะ่ไปนั่งดูอย่างนั้นเดีย๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนที่เขามีบา ร, รมีเนี่ยเขาจะไม่เคยเข้าไปเลยในสะถานที่ทนั้น โอกาสที่เขาจะติดบุรีโอกาสที่จะติดสุราโอกาสที่จะติดผู้หญิงโอกาสที่จะติดเล่าอะไรแต่ไรมันหายไปด้วยมันตัดโอกาสไปเลยวนโกลิตะเขาอุปติษะเขาก็อย่างงั้นวันหนึ่งมันคิดถึงความตายว่าเอ้มันได้ประโยชน์อะไรอเนี่ยที่เรามาดูมาดูศพอยู่นี่มันได้ประโยชน์อะไร พอในที่สุดคนแสดงก็จะตายเราเองก็จะตายแล้วก็ในขณะที่เราดูนี่เราก็แก่ลงแก่ลงแก่ลงก็แก่ไปวันนึงชีวิตได้อะไรอ่ะได้ดูการแสดงการแสดงมันก็แสดงอ่ะไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นการแสดงเอาและในที่สุดมันก็เกิดเบื่อหน่ายวันนั้นเลยไม่สนุกเลย ดูการเล่นการแสดงไม่สนุกเลยคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกระดูการ์ตูนเฮ่ยเด็กแกสนุกมากเรา ก, ก็นึกแบบสนุกยังไงเด็กแกก็ยิ้มตาเปล่งเลยจ้องตาเปล่งเลยสนุกมากหัวเราะต่อกระซิกกันสมมติเรานั่งอยู่ด้วยเนี่ยเราก็ดูไปอย่างนั้นเอง แต่เราไม่เห็นมันสนุกอะไรนี่ก็คือคือวุฒิภาวะที่มันต่างกันประจบการแสดงต่างคนต่างก็ออกมาโลิตาก็ถามอุปติสาว่าเอะวันนี้ทำไมเพื่อนดูซุ่มๆไปอุปติสาวเขบอกว่าเขาเพื่อนก็เหมือนกันนะแล้วทั้งบาเล่าความคิดว่า มันมาพิจารณาเรืงความจริงว่าไร้ประโยชน์จริงๆนะที่เรามาดูการแสดงเนี่ยเขาก็แสดงอ่ะไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าเราใน ช, าชีวิตจริงๆมาดูเขาแสดงเขาได้สตางเราจ่ายสตางแล้วทั้งหมดที่สรุปแล้วก็คือว่าทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เคตายก่อนตายหลังไม่รู้แหละทั้งหมดก็ตายเรียตายเกลี้ยงนั่นแหละแล้วถามว่าเพื่อนนะคิดยังไงคิดตรงกันเลยบอกคิดตรงกันเลยเอถ้าอย่างนั้นเราออกบวชสวงหาโมุขธรรมดีกว่าเสียเวลาเกี่ยการมาดูการแสดงอย่างนี้ในสุดก็ตัดสินใจออกบวช ออกบวชครั้งแรกก็อูออกบวชในสำนักสันไชยปริภาชกนะคือบริบาลเดิมทีเดียวเนี่ยเดิมสุดๆตอนที่มาดูการแสดงมรสุขบริบารก็นึกดูว่าหามเสลียงเนี่ยเสลียงหนึ่งสี่คนเขาบอกมีทั้งห้าร้อยไม่รู้มาทำไมทั้งห้าร้อย นะเหมือนคนใหญ่คนโตวเวนี้ไปในรถเป็นกบวนยาวเหยียดเลยตัวเองก็นั่งพกก้นปิดมิสท่านั้นเองแต่ทำไมามันกินถนนไปเยอะเหลือเกินไม่รู้นั่นคือโลกก็เหมือนเดิมความคิดแบบชาวโลกมันก็เหมือนเดิมเพราะในที่สุดก็ต้องส่งบริวารฝ่ายละสองร้อยห้าสิบ นำเสลี่ยงกับ น, นำรถมาไปขืนบ้านตัวเองเหลือห้าร้อยก็เข้าไปบวชในสำนักสัญชัยแต่ว่าศึกษาไปไม่กี่วันเนี่ยคำสอนสัญชัยมันไร้สารามากพระ้าชาตสตรูเคยมากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าที่ไปคุยๆกับนักบวชมาเนี่ยเห็นว่าสัญชัยนี่โง่ที่สุดพูดไม่รู้เรื่อง แล้วแกก็ไม่ไม่รู้เรื่องด้วยที่แกพูดมีความหมายว่ายัางไงนี่แกก็ไม่รู้เรื่องแต่แกก็เป็นคณาจารย์เจ้าระทีได้พระอย่างที่บอกว่าคนสมัยโบราณเนี่ยมันจะตื่นเต้นกับอะไรที่มันแปลกกว่าตัวเองเช่นสมมติว่าพาพระพายยะธารุจิรญาเนี่ย จริงมันคนเกิดอุบัติเหตุเฉยๆคือไปค้าขายทางเรือแล้วก็เรือก็ล่มเข้าของก็หายหมดก็ว่ายน้ำขึ้นฝั่งผ้าผ่อนก็หลุดลุ่ยหมดเลยไม่รู้จะทำยังไงก็เก็บใบไม้บ้างอะไรบ้างมาร้อย ๆ, ๆ, ๆแล้วก็มาพันตัวไว้คนก็ตื่นเต้นนะึกว่าเป็นพระอรหันต์ก็หา ร, รหานุ่งใบไม้ ตองบาใบไม้เปลือกไม้นะฮะก็แล้วแต่จะหาได้แลวมาร้อยร้อยรอยกันนิยมยกย่องเคารพนับถือมีข่าวลือคนแห่แห่นกันมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ตัเองเลยก็งงสถานะของตัวเองเพื่อนปลุกเสกให้เป็นพระอรหันในสุดก็ครึมครมก็หลงหลงว่าตัวเองเป็นพระหันไป จนพระนาคามีซึ่งเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเทวดานะฮะชั้นสุทธาวาสลงมาให้สติตักเตือนว่าคุณน่ะไม่ใช่พระอรหันต์หรอกทางไปสู่อรหันต์คุณก็ยังไม่มีคุณยังไม่รู้จักเวลานี้ถ้าต้องการจะเป็นพระอรหันต์ก็ต้องไปเฝ้าพระอรหันต์คือพระพุทธเจ้าเวลานี้ประทับอยู่ที่สาวัตถี จะท่านก็หวังฝ้าวันสันใจปฏิภาชกมันก็มีลักษณะอย่างนั้นน่ยก็ทําอะไรแปลกๆพูดอะไรแปลกๆ แ, แต่งเนื้อแต่งตัวแปลกๆคนก็ตื่นเต้นเป็นพระรหันกันนับถือกันเมื่อเห็นว่าร้ายสาระแล้วในที่สุดก็ตกลงนัดหมายกันว่าระหวังเราทั้งสองนั้นใครบรรลุมโมกรคธรรมก่อนก็ให้บอกกันอีกฝ่ายหนึ่งด้วย ก็ต่างคนแล้วก็เทีสแสวงหาแล้วต่อมาก็อุปติสักก็ไปเจอกับพระอัสสชิอย่างที่เคยเล่าไว้ในประวัติของพระสารีบุตรหลังจากฟังธรรมจากพระอัสสชิในหัวข้อที่ว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตาถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นประมาสมณะมีปกติสัตย์อย่างนี้แล้วก็ได้บรรลุมรรคผล นำมาบอกให้โกลิตะทราบโกลิตะก็บรรลุมรผลแล้วก็ต้องการจะเผื่อแผ่นี่ลักษณะนิสัยของคนที่บรรลุธรรมคือคนบนรรลุธรรมไม่ได้เหมือนกับคนที่ไม่บรรลุธรรมนะครถ้าฟังลองสังเกตว่าสมมติว่าท่านผู้ฟังไปเจออาหารอะไรก็ตามที่มันอร่อยมาก สมมติอาหารก็แด้กันเป็นพวกข น, นมอะไรก็ได้อร่อยมากถ้าท่านกินแล้วท่านนึกถึงคนอื่นอยากให้แม่ได้ทดลองกินอยากให้พ่อได้ทดลองกินอยากให้พี่ได้ทดลองกินท่านจะซื้อมาฝากแต่ถ้าคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเจานั่งร่วมโต๊ะกันพอเจออาหารอร่อยเนี่ยกินเอากินเอาคนเดียวไม่บอกใครเลย แล้วไม่ส่งให้ใครโดยนี่คือเป็นเครื่องวัดอย่างเนี้ยเพราะพระอราหันต์ทั้งหลายไม่ใช่พระญราบุคคลทั้งหลายขึ้นไปนะที่จริงคนมีศีลธรรมขึ้นไปเนี่ยเวลาเขาได้ดีอะไรแล้วเขาจะคิดเผื่อแผ่คิดเผื่อแผ่ไปถึงคนอนึ่งแต่ถ้าคนที่ขาดศีลธรรมเนี่ยจะคิดถึงตัวเอง เห็นไหมพวกนักเลงสุรานักเลงอะไรทั้งหลายที่ที่เนี่ยกิเกมเมาเหล้าได้ทุกวันนะเมาเหล้าได้ทุกวันสูบบุรี่กินกระถิงแดงอะไรต่อะไรได้เยอะเลยชายตต่างวันวันหนึ่งเยอะเลยแต่ว่าลูกไม่มีค่าขนมไปโรงเรียนนั่นสแสดงว่าจิตใจเนี่ยมันเห็นแก็บตัวจัดจนคับแคบไมคิดถึงลูกถึงเบียร์ แต่ถ้าเป็นพ่อที่รักลูกรักเมียจริงๆนี่ยยอมอดเพื่อให้ลูกได้กินเมียได้กินอย่างน้อยที่สุดให้ลูกได้กินสองสามีปัญญาจะยอมอดแต่ลูกได้กินก็ลูกอย่างเด็กอันนี้คือมาตรวัดจิตใจของคนวัดได้อย่างเงี้ยคือสําคัญว่าเรามองคนอื่นอย่างไรเมื่อเราได้ดี แต่ทีนี้ถ้าเราเกิดผิดพลาดอะไรมีการฟ้องร้องกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยเราจะรับเต็มๆด้วยตัวเองถ้าจริงแต่เราจะปกป้องคนอื่นแม่ครับมาเกี่ยวข้องแม้เขาเกี่ยวข้องก็ต้องกีดกันออกไปไม่มาเกี่ยวข้องนั้นคือคนดีจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าปัญญามันเกิด ปัญญาเกิดใจก็บริสุทธิ์ขึ้นโลกธากตุมันเปลี่ยนการมองโลกมองชีวิตมันเปลี่ยนเปลี่ยนจากความเป็นเราเป็นเขาเป็นเรากับพวกเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นญาติเราเป็นเพื่อนบ้านเราอะไรก็คิดได้ละเอียดออกไปเรื่อยๆแล้วก็นำไปสู่การแจกแบ่ง พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะก็เหมือนกันก็คิดถึงอาจารย์ว่าอาจารย์ก็ยังงม ง, งายไร้สาระอยู่เยอะเหลือเกินมาเจอของดีอย่างนี้อาจารย์ก็ขวดจะได้ด้วยแต่ระไปชวนสัญชยัยเนี่ยสัญชัยมันมันอีกเรื่องนะึหมายความว่าเวลาเห็นคนดีเนี่ยมันเกิดแข่งดีเกิดริษยาแล้วเกิดแข่งดี เออใครจากไหนโผลมาไม่รู้ว่านิ่งๆจะมาเอาสาวกของเราไปเป็นบริวารอย่างพระเราสมัยโบราณก็เหมือนกันมีพระอาจารย์เป็นนั้นมากนะฮะที่ไม่ยอมให้ลูกศิษย์เข้ามาศึกษาและเรียนในส่วนกลางของกรุงเทพพยายามกัดขวางด้วยวิธีการต่างๆอย่าไปเลย อ, อยู่ที่เนี้ย ฉันไม่มีคนใช้คือหมายความมาแทนที่จะคิดความถึงความเจริญก้าวหน้าของลูกศิษย์คิดถึงความสะดวกสบายของตัวเองอาจารย์อย่างนี้ใช้ไม่ได้พ่อแม่ก็เหมือนกันที่กอดลูกให้ตายคา อ, อกลูกจะไปศึกษาที่นั่นก็ไม่ได้ที่นี่ก็ไม่ได้ไปทำงานที่โน่นก็ไม่ได้ที่นี่ก็ไม่ได้ไม่มีใครช่วยงานที่บ้านจะคิดถึงตัวเอง ไม่ได้คิดถึงความเจริญก้าวหน้าของลูกแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่คิดถึงตัวเองเนี่ยลูกเห็นว่าลูกจะไปได้มีความเจริญก้าวหน้าก็ส่งเสริมสนับสนุนชื่นชมยินดีกับลูกก็ให้ลูกไปดีมีสุขก็แล้วกันแต่ว่าสันชัยเนี่ยพอรู้เรื่องพระพุทธเจ้าปั๊บเนี่ยท่านแข็งดีอะ ไอ้ฉันก็คณะอาจารย์ใหญ่นี่ยนะคณะอาจารย์เจ้าลทัทธิสั่งสอนลูกศิษย์เยอะแยะลูกศิษย์มีเป็นร้อยๆเออพระสมณโคโดมนี่เป็นใครที่จะไม่ยั่งเอาลูกศิษย์เราไปตีเสมอด้วยนะหมายความมาแข่งดีแล้วก็ตีเสมอแล้วก็ดูหมิ่นด้วยเพรา ะ, ะนนคนอย่างนี้ไม่มีทางเนะ่ะ หมายความมาผลักก็ไม่ไปจูงก็ไม่ไปก็บอกว่าเราเป็นคณาจารย์เจ้าลทัทธิจะยอมตนไปนับถือคนอื่นเป็นศาสดาเนี่ยมันเป็นไปไม่ไดออ้เหมือนกับการจับเจระเข้ไปใส่ตุ่มเพราะมีข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งนะว่า การศัตรูของพระพุทธเจ้าแล้วก็เผยแผ่ศาสนาอยู่ทั้ง45ปีระดับข้าจารย์เจ้าลทัทธิหกคนเนี่ยไม่มีใครเข้าถึงพระพุทธเจ้าเลยสักคนธรรมาก็บริวานนะฮะบริวานก็พวกนี้มีพวกปริพาชกก็มีเจโลกก็มีพวกคราม์ก็มียัญญาเดถีก็มีนะบริวานนี่มีแต่ว่าระดับอาจารย์เนี่ยยอมตายขาที่ทั้งหมดเลย กูนาการสะปากูนาการสะปะนี้ปลุกคอตายนะฮะตอนพระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิห า, า, าริย์มัคคิลิโคสารสันัยเวรัตบุตปรปะกุท ธ, ธากาเจนะอาชิตเกิดสกควมพลนินคโครนาทบุตรนิคโครนาทบุตรนี่แข่งดีกับพระพุทธเจ้าตลอดจนถึงพระพุทธเจ้ามีพระชนส่าถึงเจ็ดสิบเจ็ดนะฮะท่านช็อกก็กเลือดตาย เพราะว่าลูกศิษย์คนโปรดที่มุ่งหวังจะพึ่งพาอาศัยเพราะว่ารวยมากอุบาลีขันธบดีนี่รวยมากแล้วก็มีบริษัทบริวารมากท่านก็คิดว่าจะเป็นที่พึ่งพมนักกลางท่านได้ต่อไปเป็นอย่างดีทรงบาลีมากรอมพระพุทธเจ้าถูกพระพุทธเจ้าตั้งปัญหาถามย้อนกลับตอบไม่ได้ ยอมจำนวนแล้วประกาศตนเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วบรรลุโสดาด้วยนะท่านพยายามอ้อนวอนขอร้องให้เปลี่ยนใจเนี่ยท่านไม่ยอมเปลี่ยนด่าทอด้วยวิธีการต่างๆหยาบๆคกลๆในะเรื่องเยอะเลยคนร้ายช็อกเป็นโลหิตสดๆพุ่งออกมาจากปากลแล้วก็ตายไปแต่ก่อนพระพุทธเจ้าสามปี แต่ก่อนพระเจ้านิพานสามปีแต่ว่าท่านเป็นติดกระถังกรมาก่อนนะฮะก่อนหกปีก็อายุนามก็คงจะใกล้เคียงกันนั่นแหละนี่ก็เป็นเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าคิดเอาไว้ว่าสี่สิบห้าปีเนี่ยคนที่เอ่อเป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่อย่างพราหมณ์ภาวรีเป็นลูกศิษย์เป็นพระนาคามี แล้วก็มีอดีตปุโรหิตคนหนึ่งมาเป็นมาเป็นลูกศิษย์ยอมตัวเป็นลูกศิษย์ออกบูชเหมือนกันนะภายหลังก็ภายหลังก็ออกบวชเหมือนกันก็เพราะน่เมื่อสัญชยัยผู้เช่นนั้นท่านก็ไม่รู้จะทำไงเพราะเป็นเรื่องความคิดเฉพาะตัวคน เป็นอิสระที่เขาจะคิดอย่างนั้นเขาสอ่ใจจะคิดอย่างนั้นเขาพอใจจะอยู่อย่างนั้นก็ต้องยอมเขาก็ต้องยอมเขาให้เขาอยู่อย่างนั้นไปก้าวกลไปล่วงละเมิดสิทธิ์ที่เขาไม่ได้คือปัญหาบางอย่างนี่เราเนึกว่าเอน่าจะช่วยเหลือเขานะน่าจะช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงให้เข้าสู่อย่างน้อยก็เข้าถึงการศึกษา อ่าเข้าถึงการรักษาพยาบาลเข้าถึงหน้าที่การงานต่างๆหลายต่อหลายเนี่ยชาวป่าชาวเขาต่างๆเนี่ยอย่างไปพบที่เชียงรายก็คุยกับคนที่นั่นเขาบอกไม่ควรจะไปก้าวไายวิถีชีวิตของเขาเขาพอใจที่จะอยู่อย่างนั้นก็ควรจะให้เขาอยู่อย่างนั้นจะมากับมองตรงกันข้ามนะะ ก็มองว่าเราเองก็เมืออม่อก่อนก็คงอยู่ปา่าเหมือนกันบรรพบุรุษเราแล้วมันก็ช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันมาพัฒนากันมาเรื่อยๆผ่านรุ่นผ่านสมัยมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนเมืองจากคนป่าก็มาเป็นคนเมืองแต่ในสมัยปัจจุบันก็ ก, ก็เห็นว่ามันมีอะไรดีๆอยู่อย่างหนี้ คือระบบการศึกษาเนี่ยมันทำให้คนก้าวกระโจนได้จากอะไรล่ะจากลูกชาวนาลูกกรรมกรลูกแท็กซี่ลูกสามล้อลูกแม่ค้าขายข้าวแกงอะไ ร, ต, ะไรต่างๆนี่นะี๋ยวท่านเหล่านี้ก็รักลูกส่งเสียสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกได้เข้าศึกษาและเรียน ในสุดลลกจบปรญญาปัญญาตรีปรัญญาโทบางคนเป็นถึงปัญญาเอกพ่อแม่ก็ยังขายข้าวแกงอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ารุ่นลูกเนี่ยมันเป็นเป็นด็อกเตอร์ไปแล้วเป็นมหาบัณฑิตไปแล้วพอรุ่นหลานมันก็ยกตนหนีจากข้าวแกง แต่ข้าวแกงจากการทำนาทาสวนอะไ ร, ต, ไรต่างๆ ง, ง, งานเหล่านี้เป็นงานหนักเกินไปรายได้ไม่คุ้มไม่สามารถจะพัฒนาตัวเองได้ก็ไม่พัฒนาลูกหลานเจ้ามีเด็กที่กุฏิเนี่ยเขามีเท่าไรเจ็ดคนพี่น้องนะฮะเจ็ดคนพี่น้อง ก็ปรากฏว่าพ่อแม่เขาทำนาทั้งคู่แล้วก็ส่งเสียลูกให้ศึกษาแล้วเรียนจบปัญญาตรีสี่ห้าคนตอนนั้นเขาก็แต่งงานไปก่อนบ้างตายบ้างในเรื่นี้คนสุดท้ายนี่พ่อก็แก่แล้วนะทุบสุดตัว หมาำหนึ่งถึงความเหนื่อยยากลำบากลูกสาวคนเล็กต้องการให้ลูกได้มีความเจริญก้าวหน้าส่งก็เรียนมหาวิทยาลัยว่าไรลักษนะข่าจะใช้แพงข่าจะจ่ายแพ ง, จจ แ, พงแต่แกก็บอกไม่เป็นไรลูกเหลือคนเดียวแล้วส่งเสียก็ให้ถึงฝั่งตัวเองไม่คำหนึ่งแหละทั้งๆที่ททว่าพ่อแม่ก็แก่ชาราลงไปเยอะ เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าชืน่นชมอันนียเราเห็นว่าเนี่คือความรักแหละความรักความเมตตามีความรักใคร่ผูกพันมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเจริญก้าวหน้าความคิดเหล่านี้ไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นพ่อแม่อย่าแนวคิดของพระสารีบุตรก็ดีกับพระโมคคัลลานะก็ดีแล้วมหาสัญขชัยเนี่ยก็เหมือนกันเดี๋ยวต้องการจะส่งเสริมสนับสนุนสัญขชยัย การให้ข้อมูลเนี่ยเป็นหน้าที่ของท่านแต่การตัดสินใจเป็นหน้าที่ของสันชัยสมมุติจะจับมัดท่านไปเพื่อให้อยู่ต่อพระพักพระพุทธเจ้ามันก็ไม่ไปนั่นแหละใจมันไม่ไปออกกายไปแต่ว่าใจไม่ไปมันก็ไม่สมเอตประโยชน์อะไรถ้าก็ตายอย่างสันชัยปริพาชกก็ เป็นการทำลายโอกาสที่มาถึงไปอย่างน่าเสียดายอย่างคนบางคนเนี่เขาเชื่อมั่นในพระพุทธเจา้าอย่างท่านอสิตดาบดหรือกาลาเทวินดาบดเนี่ยท่านเชื่อมั่นตั้งแต่เห็นพระโพธิสัตว์นอนอยู่บนเบอะเลยบอกว่าคนนี้จะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้า แต่มองดูสังขารตัวเองก็แหมแก่ชราจังแล้วอยู่ไม่ทันจะยุคเสียดายลเลวเราไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ขอย ห, หลานชายได้รับก็แล้วกันไปสั่งเสียหลานชายชื่อนาละกะลูกน้องสาวก็โตกว่าพระพุทธเจ้าสิเกิดก่อนเป็นผู้ใหญ่แล้ว สั่งเอาไว้ว่าให้เธอติดตามเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระจูรสของพระเจ้าสุโธธนะถ้าท่านออกพนวดเนี่ยให้เธอออกบวชเป็นฤาษีรอไว้พอลูกขาววัสสรู้แล้วไปสมัครตัวเ ป, เ, ปเป็นเป็นลูกศรริษย์เลยนาฬกาก็ทำตามแล้วก็ได้เป็นพระอหารระดับเอตัทอธัคคะในด้านโมนยะปฏิปทา ปฏิบัติในฐานะเป็นพูดนิ่งคือไม่พูดให้พูดอะไรกับใครทีนี้ตกลงว่าโกลิตะเ่าอุปติสาก็แต่ท้นีจะชวนบริวารปรากฏบริวารชั้นแรกมันก็มาหมดทั้งห้าร้อยนั่นแหละแต่ว่าสันชาเกิดช็อกขึ้นมา เห็นบริวารหายไปมากทีเดียวตั้งห้าร้อยนี่อาสมมันว่างโล่งโถงเลยช็อกกลางเป็นโลหิตลุซี่ก็เกิดสงสารอาจารย์ก็กลับไปเจสอง้อยห้าสิบี่สองอยห้าสิบไม่ยอมกลับก็ตามเจ้านายไปด้วยเห็นไหมบารมีมันต่างกัน คนอยู่ด้วยกันสองห้าร้อยคนเนี่ยบา ร, รมีวัญหากันเยอะเลยอ่านกันครึ่งตัวครึ่งนะครึ่งหนึ่งก็ตายอยู่กับสันใจปริพาโชกนั่นแหละแต่กครึ่งหนึ่งไปนิพพานตามลูกพี่ไปตามประสาระบุตรโมกขลานาไปนี่เราเห็นว่าคนเรามันมีความแตกต่างกันอยู่อย่างนี้มันพิสูจน์ทดสอบถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง ในจิตสันดานของแต่ละคนว่าจิตสันดานของแต่ละคนนั้นได้สั่งสมอบรมกระทั่มมาไม่เหมือนกันเ อ, อกเขาจึงมีความแตกต่างกันเวลาโกลิตะกับอุปติสสะไปเฝ้าพร้อมด้วยบริวารก็เป็นปฏิภาชกนะฮะเป็นนักบวชนอกาศาสนาอยู่แม้จะเป็นพระโสดาบันแล้วก็ยังแต่งเครื่องแบบเดิมอยู่นั่นแหละ ไปถึงภาษาริบุตรก็กราบภูลเล่าความเป็นมาของตัวเองถวายพระพุทธเจ้าแต่วิเจ้าทรงมีพยานอย่างรู้นะคพอสองท่านมาก็ชี้บอกภิกษุทั้งหลายบอกว่านอนคู่สาวกอันประเสริฐของเรามาแล้วคือสาริบุตรกระโบคาลานะณนี่พยานอย่างรู้รู้แล้ววันนี้อากาสาวกมาแล้ว ตอนนั้นถ้าเราดูเดือนเนี่ยก็เรียกว่าพระพุทธจเจ้าศัสรูแถวเดือนอะไรล่ะเดือนเดือนหกขึ้นสิบห้าคำพระธมะเทศนาเดือนแปดขึ้นสิบห้าคำท่านเหล่านี้มาพบพระพุทธจเจ้าเนี่ยก่อนเป็นเดือนสามนี่สิบห้าวันก่อนเป็นเดือนสามสิบห้าวันมันยิ่งใหญ่มากนะ พุทเจ้ายิ่งใหญ่มากเลยเป็นศาสดาหนุ่มฟออายุแค่สามสิบหกพระชันสาแค่สามสิบหกท่านนั้นเองแล้วพระสาวกในยุคแรกตรงนี้ก็เกิดขึ้นมาจากพระองค์เองฟังธรรมเทศนาจากพระองค์เองทั้งนั้นยกเว้นเนี่ยยกเว้นสารีบุตรกับมกกาลานะเนี้ย แต่ตอนนั้นมันก็มีอะไรล่ะก็หกสิบที่ส่งไปเผยแพร่ครั้งแรกสามสิบที่ส่งตามไปแล้วก็อีกหนึ่งพันคือพวกปุราณชดินแล้วก็มาชุดนี้สองร้อยห้าสิบเพราะในสองร้อยห้าสิบเนี่ยสองพัน น, 2, นั้นบรรลุโสดามาก่อนเพราะฟังจากพระอานนทชิ แต่ว่าอีกสองร้อยหสิบบริวารเนี่ยเพราะความเจ้าพระองค์อีกแนละ้วเห็นไหมประดิษฐานพระพุทธศ า, ส, า, านสนาโดยลําพังพระองค์เนี่ยประสบความสําเร็จตอนนั้นก็มีทั้งอุบาสกอุบาสิกามีทั้งภิกษุยังไม่มีสามเณรยังไม่มีสามเณรีและยังไม่มีภิกษุณียังไม่มีสามเณรียังไม่มีภิกษุณียังไม่มีสามเณร แต่ว่าถือว่าปริสถานพุทธสถานมั่นคงแล้วดังนั้นเมื่อภาษาดีบุตรกราบภูนเล่ารายละเอียดถึงพฤติกรรมความคิดแนวคิดของสัญชัยปริพาชกเนี่ยพูะเจ้าก็รับสั่งเป็นกลางกลางถึงถึ ง, ถ, งถึงธรรมชาติของมนุษย์ว่าบุคคลใดที่มีความดำรีผิด คือคิดผิดอ่ะเป็นทางดําเนินของชีวิตคือกคิดผิดผิดเรื่อยเลยคิดผิดไปเรื่อ ย, อยคนเหล่า น, นั้นจะมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระแต่จะมองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเพราะเขาจะไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระเพราะอะไรเพราะว่าดาริผิดเป็นโคจรคือทางดําเนินของจิต ทีนี้บุคคลใดมองมีความดำริชอบเป็นทางดำเนินของจิตก็จะมองเห็นสิ่งที่เป็นสราระว่าเป็นสราระสิ่งที่ไม่เป็นสราระว่าไม่เป็นสราระาะเขาจะประสบสิ่งที่เป็นสาระเพราะอะไรเพราะเขามีความดำริชอบเป็นทางดำเนินของจิตคือจิตดำเนินไปบนวิถีของความดำริชอบ ทรงแสดงจบปรากฏว่าบริวารสองรอย้าสิบท่านเนี่ยบรรลุมัคคผลเป็นร่าหเลยสาริบุตรกับพระโบกกรานะอ ย, าอย่างอยู่ที่เดิมนะฮะอย่างยังไม่ได้ไปถึงไหนการนั้นก็ขออุปสมบทในสำนักพระพุทธเจ้าปุจจารับสั่งว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดทำมาเรากล่าวดีแล้ว จงประพุทธพรมจันแต่ไม่ได้บอกว่าเพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเพราะท่านเหล่านั้นยกเว้นสองท่านนะฮะสองรหิบเนี่ยท่านที่สุดแห่งพรมจันแล้วก็ตกลงว่าก็บวกกันหมดตัมโอกลาละ น, นั้นบวชแล้วได้เจ็ดวัน ซร่งจะกล่าวในโอกาสต่อไปเุฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูนในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี